ดูปลายยอดไม้ตีไปเวลาพักกลาคืนเนี่ยก็ต้องดูพิกัดที่ไม่ให้กินไม้ลมไปหนือเราด้วยเวลาลมแรงๆเวลาได้สัมผัสจากสายลมเนี่ยมันจะบังเสียงนกเสียงอะไรเวลาเรามันจะหนักรู้เสียงนกร้องมันก็จะสายลมก็จะเบาลงค่อนคลายลงบางครั้งก็จะหนักดูเสียงใบไม้ร่วงเราก็แบบ เห็นชัดเด่นเด่นชัดสลับไปสลับมานี่คือการตื่นรู้ไม่ได้ไม่ได้ผูกขาดเกี่ยวกับสํา น, นักไหนกรณีไหนเสหตุใด ห, หรือว่าข้อมูลไหนปรากิการไหนเราตื่นรู้อย่างกว้างขวางตื่นรู้อย่างเหมือนคนเดินอยู่บนยอดเขาเป็นท้องฟ้าแหงใจตกแต่งทกสิ่อย่างเคลื่อนไหวอย่างงดงามเป็นศิลปะ <c oughs> มันเป็นธรรมชาติที่กำลังไหลไปพร้อมๆกันทั้งจั ก, กรวาลน กำลังแปรเปลี่ยนไปตามดูการตามเหตุปัใจทั้งทุกมวลสารทุกปากฏการ์ทั้งลุกทั้งนามทั้งภายในภายนอกบางครั้งสนบเนี่ยบปลอดพ้นจากสายลมบางครั้งก็ดุดดันสายลมบางครั้งต้นไมก้ก็พักโคนบางครั้งก็เต็มด้วยสัตว์ป่าสาระเทศะเทศะหนึ่งหนึ่งสถานที่หนึ่งหนึ่งตอนนี้เรามาครอบครองตรงนี้ดับสัมผัสกับทุก การประการที่ไหลผ่านกายใจเราในการศึกษาสังเกตุคือการใช้ชีวิตก็คือเป็นการใช้ชีวิตแบบตระหนักรู้เป็นการสังเกตเป็นการเรียนรู้เราก็คือเป็นนักเรียนเป็นนักคุณศาสตรดีๆนี่เองมนุษย์เราเนี่ยนะเราเกิดมามีกายมีใจมีตาหูจมูกลิ้นเป็นประตูทั้งห้าทั้งหเพื่อจะให้ข้อมูลข่าวสารมาทําให้เราเข้มแข็งถ้าเรายังไม่เข้มแข็งเราก็นอนแยบแค่ใต้ไปก่อนทุกไปก่อน โลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมันมันมาโคจรหรือว่าผ่านมาสอนทำรามาสอนให้เราเข้มแข็งนะสอนความฝกหักให้หน่อยเสียใจให้หน่อยรักให้หน่อยโกรธให้หน่อยแต่ในส่วนมันก็เป็นครูที่ดีจริงๆนะเขาเป็นครูอาจจะเป็นครูที่หน้าตาบูดเบี้ยวในความโกรธนี่นะถ้าทบุญทําทานก็เป็นครูที่น่ารักเขเป็นครูที่ดีสายลมเหมือนกันเห็นไหมมันก็หมุนไปหมุนมา โครงสร้างของมวลสารของสางสารพลังงานของปรากฏการณ์ต่างๆก็ จ, จะหมุนเวียนแปลเปลี่ยนอย่างนี้นักภาวนาก็คือผู้สังเกตสังเกตเป็นนักจ่าเรียนรู้ยอมรับทุกอย่างอย่าต่อต้านเขาอย่าต่อต้านสายลมอย่าต่อต้านแสงแดดอย่าต่อต้านความรักความโกรธความเสียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันในเส้นทางของการดําเนินชีวิตนี้มันก็เป็นการศิละปะในการสื่นดูเป็นการศิละปะในการใช้ชีวิตสายลมก็จะเป็นเส้นจังหวะมีลุกมีรับ ไม่ใช้ว่าตลอดเลยมีลุกมีรับการตระหนักรู้การสังเกตก็อิสระไม่ไม่สร้างติีกาให้คุณจ้องอยู่ต้นไม้อย่างเดียวใบไม้อย่างเดียวหรือรูปอย่างเดียวเวทนาอย่างเดียวให้มีความอิสระภาพแก่เราแก่ผู้ทำการเปีนรู้อยู่แก่ผู้ใช้ชีวิตเป็นไทยมอบความเป็นไทยให้กับเราเราไม่ไปผูกขาดอยู่กับรูปเวทนาสาัญญาสังสารวิญญาณแต่เราจะเปิดใจของเราให้เป็นธรรมชาติแต่ให้อยากเป็นธรรมชาติที่มาแสดงธรรมสอนเราถึงทุกหน่อย เจ็บหน่อยโลภหน่อยโกรธหน่อยก็ไม่เปไ็นไรสักวันหนึ่งเราก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขมันเป็นศิละปะตัวอย่างแล้วเป็นครูเราได้หมดเลยไม่จําำกาะที่ในกคำพีหรือครูบาอาจารย์อยู่ครูในรูปแบบใบทองแห้ง ใ, ใบทองแห้งที่หล่นไปแล้วเขาเคยเขียวมาก่อนเขาเคยเขียวเคยสดมาก่อนในมิติหนึ่งมันเป็นเขียวสดในมิติหนึ่งกลายเป็นแห้งเหี่ยวสีน้ําตาลและสลายกลายเป็นธาตุดินในใ น, ในดินเรียกว่าเป็นดินในการหนึ่งเรียกว่าดอกไม้ใบไม้ใ บ, ไ ม, บไม้ที่เขียว มืนกาละหนึ่งที่ว่าแมงง้องแง่งเป็นยุงลูกออดกลายเป็นกบลูกนอนกลายเป็นผีเสื้ออันงดงามเห็นไหมในในมุมหนึ่งหญิงงามกลายเป็นหญิงชลาและหอิ่ม่างกายในควาสุขเวลาความทุกข์มาในรูปแบบของความทุกข์เปรี่ยมดังตัวนอนข ย, ยัน <c oughs> <c oughs> เวลานอนอวาตารเป็นผีเสื้อจะกลายเป็นความสุขไดทุกข์มาในรูปแบบของความสุขก็มีแล้วก็สุขสามารถแปลอวาตารเป็นความทุขกข์ได้เช่นเดียวกันทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรตายตัวตีกรอบให้แน่นอน ม, มันเหมือนกับเราเอา ปำโปกเลยเผอเป็นส right ิ่งท right. ี่ไม่ด oh. yes, well. well, ีเสมแต่สิ่งที่ไม่ดีกาละหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่ดีในกาละหนึ่งและกาละที่มันมิติีที่มันดีมันก็ไม่ดีตลอดเพราะว่ามันยังเดินทางต่อไม่มีอะไรเลยที่ไม่เดินทางเราก็ยังเดินทางความสุขก็เดินทางความทุกข์ก็เดินทางใบไม้ก็เดินทางสังขารทั้งหลายทั้งมวลล้วนเดินทางเหมือนกระแสน้ํากระแสน้ําน้ําในกาละหนึ่งเรียกว่าน้ําในกาละหนึ่งเรียกว่า หมอกกละหนึ่งเทสะหนึ่งเรียกว่าหิมะกัละหนึ่งเทสะหนึ่งเรียกว่าน้ําแข็งบางครั้งเรียกว่าโจก์ก็ได้อยู่ในโจกก็ได้ <c oughs> เป็นน้ำฝนก็ได้เป็นสายน้ําเป็นลานําธารเป็นแม่น้ำและเป็นมหาสมุทรเป็นระลอกคลื่นใจของเราก็เหมือนกันถ้าใจขงเราเปียกดังมหาสมุทรบางครั้งมันก็เกิดเป็นคลื่นไงเกิดคลื่นขึ้นมาเราก็สังเกตอย่าต่อต้านคระลอกคลื่นเป็นมหาสมุทรถาติต่อต้านกระลอกคลื่นแม่เตียงเล็กน้อยเหมือนมหาสมุทรถ้าต่อต้านคระลอกคลื่นไปเนี่ย ก็ต้องรักษาม่ให้เกิดขึ้นรักมหาสมุทรรักษาไม่ให้เกิดขึ้นให้สงบเงียบตลอดเวลามันจะปัน่นปวนอยู่ภายใ น, ในปล่อยให้มันรอกขึ้นนี่คือธรรมชาติเหมือนดอกกล้วยกับดอกกุหลาบมันสะท้อนออกมาเบิบานแล้วไปเหี่ยวโรยราไปนี่คือกระแสขอังงานมันเองมหาสมุทรก็เป็นต้นกําเนิดของลอกขึ้นจริงยิ่งมหาสมุทรก็คืออยู่ในลอกขึ้นแล้วลอกขึ้นคือมหาสมุทรจรงเป็นสิ่งเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แบ่งแยกอย่างที่เราเห็นอาจจะเยันแยกโดยสมุติแต่เนื้อแท้แล้วเป็นอย่างเดียวกันทำหนนะั คือว่ามีเรามีเขามีต้นไม้มีคนมีลมมีแดดแต่ถ้าเราไม่มีใจก็จะไม่มีข้อมูลพวกนี้เลยอุ ม, มาังในกอคนนึ่งนอนหลับปันไปว่าเห็นอะไรมากมายเห็นข้อมูลท่าวสารมากมายเห็นป่าเห็นมาเดินป่ากับเพื่อนมีตัวละครมากมายพอก็าตื่นฝันทุกอย่างกลายเป็นเพียงภาพภาพฝันของเขาเป็นอดีตไปครแต่ตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าเขาฝันอยู่เพราะว่าเขายังอยู่ในมิตินั้นอยู่ <c oughs> แต่วันหนึ่งพอเขาหลุดกรอบมิตินั้นไปเขาก็จะเข้าใจว่าโอ้ชุกอย่างมันเป็นเพียงความฝันมันเหมือนจริงมากเลยอย่างเช่นเย่าัตรงนี้เทือดเวที่บูกูยมผูมันเหมือนเสมือนจริงไหมแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นอดีตละือนหลังและว่างเปล่าเหมือนเหมือนความฝันนะตรงนี้ก็เหมือนกันเพราะนั้นตรหนักรู้การตระหนักรู้ศิลปะการเรียนรู้นี่เรียนรู้อย่าไปบริวารแคร์่าอย่าไปต่อต้านมันอย่าไปแอนตี้มันเขาถึงอย่างที่อย่างมันเป็นเพียงข้อมูลที่อาศัยการปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเช่นเนี่ย อาศัยอะไรคุ้แข็งมามีปัจจัยมากมายเกียวมีทั้งเมฆมีทั้งแสงแดดมีทั้งธาตุดินน้ำลมไปอยู่ในนี้ <c oughs> และมีทั้งความร่างเปล่านั้นคือมิติสุดท้ายของสรรพสังขารเวลาเราทำงานรู้สังเกตอยู่ภายในใจของเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่าไปแคร์วอร์ี่มันอย่าไปยึดมั่นถือมันมันดังที่บุษยองค์บอกว่าทำนันวกวัวงไม่ควรยึดมั่นถือมันเาเป็นตัวตนของตนต้องแปรสภาพตลอดเวลา มันเป็นเพียงผลของเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งกันขึ้นมาให้เราเรียกว่าเป็นต้นไม้เป็นใบไม้เป็นดอกไม้เป็นความสุขเป็นความทุกข์เป็นความรักเป็นความชังแต่ถ้านักภาวนาผู้เตระหนักรู้สังเกตไปแล้วเราก็แค่ตระหนักรู้แค่สังเกตรับทราบยอมรับมันคำพิงแล้วมันก็จะสอนทำเราอย่างไรคําพูดสอนทำไรคำพูดเป็นไงเป็นไรต้นไม้ก็สอนทำไรคําพูดใบไม้ก็สอนทำไรคําพูดเป็นกัมพีเล่มใหญ่ใจเนี่ยเป็นคมพี ถ้าหากเขาไม่มีใจเนี่ยต้นไม้ไม่มีไม่มีใจสุกไม่มีทุกข์ไม่มีคิดดีคิดชั่วไม่มีในกอในขอไม่มีมันต้องมีใจเพราะมีใจพอมีใจปุ๊บสิ่งสัมพันธ์กับใจก็คือปรากฏดอากาศปากกอาการเรียกสมมุติว่าเป็นต้นไม้เป็นคนเป็นในกอในขอเป็นในยอดเป็นพี่คุณนุ้เป็นนุ่นมต่างๆเรียกชื่ออะไรแต่สิ่งเหลนี้ก็เป็นปากกดอาการของแกเป็นสิ่งสัมพันธ์นั้นมาสมมติสัมพันธ์กันล้ลอกขึ้นต้องฟ้าสัมพันธ์กับหมอกเมฆความเงียบสัมพันธ์กับเสียง ทองปลาสัมพันธ์กับหมอกเมฆ <c oughs> <c oughs> มาสมุทรสัมพันธ์กับระลอกขื้นใจสัมพันธ์กับปากกระกตากาัดกับความสุขกับความทุกข์รักโลภโกรธตรงนีคือสีสันเห็นไหมเป็นละลอกขึ้นไงทีนี้พอเกิดขึ้นมาแล้วให้มีศิลปะในการตื่ น, นโดยไม่เข้าไปแบ่งแยกเข้าไปไปตัดสินเข้าไปประทับหัวมันว่ามันเป็นสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งที่น่ารังเกียจ ข, ขยะขยงแต่สิ่งเหล่านี้จะทําให้เราเข้มแข็งและเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า มิติสุดท้ายของปรากฏการณ์มันคืออะไรจะเข้าใจคําสอนขุนจ้าว่าทำนองปวงเดินทางไปสู่อนัตตาสุนิตาอาจจะเริ่มต้นที่อนิจจังอย่างนี้เวทนาดูรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจังอะไรไล่ไปอาจจะเริ่มต้นที่อนิจจังไม่ว่ารูปหรือนางดีหรือแย่แต่ปลายสุดมันเป็นทุกขงังอนัตตาสุญญตาตัฏตา มันเป็นอย่างนี้แหละสัพเพธรรมาอนัตตาแม้แต่นิพพานก็ยังอนัตตาสุญญตาสัพเพธรรมาอนัตตานิพพานนางปัญญ์สุญญ์อย่างใช่ไหมนิพพานก็ยังบ้างเปล่าจากตัวตนแต่ว่าเราไม่ต้องไปกังวลแล้วนะไม่ถึงที่ใจเราับตอนนี้เรามีใจรู้รู้จักสิ่งต่างปรากฏการแต่เราไม่มาครอบครองเวลาแล้วในที่ตรงนี้ทุกอย่างก็เป็นปรากฏการณ์แค่รับทราบและตื่นรู้อย่างผ่อนคลาย ไม่ต้องใช้คาถาพิธีกรรมอะไรมากมายแค่รับทราบและตื่นดูแบบลริมตาขึ้นซื่อๆตรงๆแล้วเยี่ยมหงูฟังดูความงดงามของปารากฏการณ์รอบตัวเราคือว่าโชคดีเหลือเกินเป็นความงดงามต้นไม้ก็งดงามเขาเรียกว่าความงดงามที่แตกตา่างบางทีเราบอกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังมันไม่เที่ยงไม่มีแ ก, กนกลางแกนซานเราก็มองว่าอนิจจังไม่ดีละทุกคังมันไม่ดีละการเปลี่ยนแปลงมันไม่เป็นไม่คงที่นี่ไม่ดีละแต่ให้เห็นความงดงามในความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนี่คือความงดงาม ถ้าโลกนี้ไม่เปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งไม่เปลี่ยนแปลงจะไม่มีความงดงามขึ้นมาในโลกดอกกุหลาบไม่มีสิทีบานเมฆไม่มีสิกีกลายเป็นฝนได้เห็นไหมมันความงดงามไหมอยู่ๆเป็นหมอกเมฆในกาละในมิติและเมฆได้เหตุปัจจัยพร้อมกลายเป็นฟ <ใน S 1> ้างดงามและเกิดหิมะกลายเป็นน้ําชาได้เห็นไหมน้ำชากลายเป็นพลังงานได้เป็นแหล่งพลังงานเนี่ยเราเรากินเมฆ ก, กินหมอกกินน้ําชากาแฟเข้าไปมันเป็นพลังงานผลิตกลายเป็นเป็นพลังตสริมรู้ได้มันเป็นอเดียวกันวนเวียน กลายเป็นว่าที่เราก้าวเดิน<ด>มาด้วยพราะกินเมฆ <laughs> เราคือเมฆ <laughs> ท่านติฟต์นักนันกินว่าเราคือกันและกันสัพพสิ่งคือดังกันและกันฉันคือเธอเธอคือฉันดินกับใบไม้ใบนี้ไม่แตกต่างกันแต่โอเคเราโดยสมมุติการละหนึ่งมิติหนึ่งมันเป็นใบไม้ถ้าใบาไม้สลายลงไปกลายเป็นธาตุดินเรียกว่าดินถ้ามันฝนตกเซาะลงไปเรียกว่าขี้โคลนเซาะลงไปถึงแม่น้ําเรียกว่าแม่น้ำตามชื่อนั้น และสุดท้ายไปถึงมหาสมุทรกลายเป็นตะกอนมหาสมุทรแล้วเรียกเป็นมหาสมุทรแล้วพวกนี้ก็ผลิตปรุงแต่งหมุนเวียนเหมือนเหมือนลงลงลงปัน่น อ, อะไรเลยธรรมชาติของจักวาเนี่ยนะแล้วก็ผลิตหมุนเวียนแปรเปลี่ยนขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่ไม่อาศัยกันและกันเราจรึงเป็นกันและกันเราจึงเป็นหนึ่งเดียวกันเลยนั้นความสุขก็คือความทุกข์ความทุกข์ในมิ ต, ติหนึ่งเรียกว่าความความทุกข์ในมิ ต, ติเรียกว่าความสุขเหมือนนกออดไก่ ไอ้คำโกงเนี่ยดำเป็นไ ม, ไม่ดีเมฆดำคือเมฆขาวเมฆดำหรือจู่ๆกลายเป็นเมฆขาวได้เมื่อเช้ากลายเป็นสีชมพูใช่ไหมตอนเช้าใย่ไหมมองไปที่ตำหนอห็นเป็นเมฆสีชมพูสวยเลยมเมฆสีชมพูกลบยเปนเมฆสีดําได้<ม>ความสุขเอาวาตานเป็นความทุกข์ได้แปลสภาพได้ทุกอย่างกันเดือดที่ใจเวลาเรามีความโ ก, มกรธโมโหก็สังเกตดูแค่สังเกตไม่ต้องทําอะไรนั่นคือการปฏิบัติแล้วแค่สังเกตแล้วทุกอย่างจะสอนทําเองเราไม่ต้องไปไปปพูดทับศัพท์ลงใปแค่รับทราบอย่างสงบเงียบได้ไหม แล้ทุกอย่างจะผ่อนคลายลงคลื่นจะเกิดกับลงไปในมหาสมุทรความเสียงจะสะท้อนจากความเยียบจะหายขวาสุขความเงียบเมฆจะเคลื่อนผ่านฟองค้าและว่างเปล่านในที่สุดนั่นคือมิติสุดท้ายของสรพพธรรมมาจบที่ใจสัมเกตดุสายลมพัดผ่านแมกไมเ้เป็นศิลปะเป็นความงดงามในความเปลี่ยนแปลงในไม้ร่วงหล่นได้ฝ <c oughs> นตกได้กุลาเบิกบานได้เรามีสุขได้มีทุกข์ได้เพียงแต่เกิดขึ้นแล้วเมื่อสัมผัสหรือว่า สัมพันธ์อยู่กับสิ่งใดข้อมูลใดปรกากฏกันในอย่างยึดติดอย่างยึดมั่นถือมั่นนั่นเองสัพเพ昙มานารังอภินิเวศายาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นหมายมั่นเาเป็นกวตนของตน <c oughs> และทุกอย่างจะมีความสุขในเส้นทางของชีวิตใน ช, ชีวิตคือเส้นทางคือเป็นการเดินทางเรื่องราวจะผ่านเข้ามาผ่านก็ม า, า, มาวันเราขับรถผ่านไปในเส้นทางเดี๋ยวโค้ง บ, บ้างขึ้นเขาบ้างลงเหวบ้างพื้นทางตรงบ้างลงเขาบ้างอุบัติเหตุบ้างตกข้างทา ง, า ง, ทางบ้างขึงง้นใหม่ ตัวอย่างมันแก้ไขปรับปรุงอย่าไปยึดติดอะไรมากมายเห็นความลดงานในความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงคือความลดงานทุกปากการซก็เป็นสีสันเป็นศิลปก